มีเนี่อะไรเกิดขึ้ น, นต่อวันนี้เขาไม่สนเลยนะระบบศาสนาทุกเวลาคิดเกดเห็นกรรมแล้วดูต่อแล้วหนึนะอีฟที่1นึ่เช็คอีฟสองอีฟสคุณมีประเทศอเวซุตติเค้นซัมยกตัวอย่างเช่นมีอะไรที่ที่ทำเป็นอาจินแม็กมั่งทำบ่อ ย, ยอยู่เรื่อยสมมติชายคนนี้ ตกเง็นแดดเล่าเป็นประจำโอเคส่งผลเลยส่งผลทันทีแสงทุกอย่างได้หมดเห็นหมแ้ดเ่ข้าส่งผลไม่เป็นไรนะยิ่งให้อยู่ันเดียวโตามเพื่อนเยเจอคนแบบนี้ไะคุณลมา่าคนเดียวไม่พอาะตามเพื่อนมาลยงเล่าดูเลยแยกเพื่อนชั่วไม่เหเพื่อนชั่วผมก็รัมมันได้แล้วออกจากวงการแล้วคนมเล่มันหนึ่งคุณนงผมเคยเป็นอย่างนี้มาตออยู่จุฬาผมเคยเป็น เคยเมาเลยสาม้านจนถึงวันพุธต่นเราคือเปลี่ยนแผนุทธศาสตใหม่คือชวนพวกวงสี่ันเมาเล่าให้เล้เลยตัวกูไม่เมาถต่กูรู้ว่าเดี๋ยวกูกลับไปดูศนยมือเนี่ยใถฐานเค้กูเพราะมีคนอย่างมืงกูเรียนจบเขาอยังไงไอออนตกเป็นเหยืออกูเยอะเ้าอะไรยงนี่คือวิธีคิดเว้ยที่มงทางานแบบกูนี่นะมึงแดเล้านี้กูชอบมากเลยผลงานมึงไม่ขึ้นยช่ไอาลรคาเนี้ยแล้วกูเตรียมใสไข่พมึง แต่สมองคุณเต้นคิดอลไไม่ทันคูและจังหวะสาคัญสำคัญคุณชวนแบกคุ้าเดินเดินเชื่อใ้หาเลยก็คือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนม่ว่าคุณเข้าใกล้คุณคุแน่จอมพว้ยเก้าอี้ทั้งตัดพวกนี้ตลอดจอมมีภาษาทานเข้าใกล้พวนึ้ครั้นี้เชคดีคุเปลี่ยนทางแล้วมาทางคนพมันแทนขุณเปล่ยนท่บาปไหาแต่ในหลักการองนาพุทธน่ารักมากเขามีอีที่สาม เขาเรียกว่าล้ า, ลา อ, อินเตรเอาตัวที่สามน่ารักมาก่อนโนนะพราะันถ้าไม่ระวังตัวจะเจอเยสแค่นี้คุณเห็นบาคนไหมชอบปั้มผู้หญิงชอบ้ามากตัวกระเป๊ดแม่งเข้าครับเข้ า, ข า, ข า, ขาบาร์ตีกรีนม้อนวเป็นเรื่องประจำมึงเป็นอาจินนั่งนั่งอะไรเป็นเรื่องเด็กกิ้งมาตลอดถ้าต่อไปมึงมึงมีของมึงเองไงที่มึงชอบจับอ่ะก็คือการเ๊ ใช่ป่ะขึงละโมกในการพุทธคือใจเปลี่ยน่อนกายยังไม่เปลี่ยนแล้วพอเป็นทุติยจะให้โอกาสที่ทั้งมืงให้ตัดเนื้อกับตัวที่ทุติยมไหมก็เรียบร้อยหรือว่าเราไปเป็นหมาตัวเมียไปนตามนึ่นงตามาวีมันตียาวเลยข้อย่าอย่าฆ่าเพราะต่อไปฮันก็เป็นอีสามอีที่สามอันนี้ขึน้นเร่องเวลากรรมใช้ระบบลาฟอินเฟรเอา ข้อหว 7.55 ของไอโต 9,000 จำได้ป่ะข้อแบบ 7.55 ใช่ไหมสโตรีนแอนดิงแอนพลัสเทอร์เรชันไหนผูวมึงไม่แม่จ่ายค่ากันเต่าอีกเจ็บจริง้าแม่งเยียดเงินด้วยไอออนอุ๊อันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีโนนะอันนี้มันเยียดอย่างเดียวละอะมันมีชายคนนี้ ชายคนนี้นะทำงานอยู่มากป่าพูดนลูชีวิตกันเด็กถี่จัดลงด้วยอไรครับพอเป็นลบช่วยพอเป็นลบ ก, ก็อ่านพีดีลองปั๊บจิตเป็นหนักกุสแน่นอนครับเขาต้องส่งลงไปคาริเบตใช้หุคคลเจ็ดจุดเดมลบเลยไม่าะผมไม่รู้หน้าตัวนะจะลบกูการดีลดิส่งไปดีลิฟอันนี้ออกอันนี้เหมือนไพ่อะเหมือนไพ ยิ้ไไมเลยวะยิ้มเลนะโอเคสมมตินะคุณทำชั่วชั่วชั่วใช่ไหมครับถ้าย t ับไม่มี2อันใหญ่นะไม่มีแตงกีนนะเพราว่าคิดจาบใบไหนก่อนครับในสุดท้ายชั่วก็ลงในลบไปแต่ถ้าลงในลบปั๊บไม่มีการวางไพ่อีกเป็นแค่ discard ก็คือฉีท้งใบต่อมาชั่วอีกไหมลงต่อป่ะลงอีลงอีงอไ ลงไปเรื่อยก็นถึงหนึ่งครั้งหนึ่งยายคุณเคยสั่งให้คุณทําบุญแล้วไงครับคราวนี้อ่าล่ะคุงขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหมมีสิทธิ์างไข่ต่อสมมติจะเป็นเทวดาบวกเป็นเทวดานะคุณเป็นเทวดาวางไข่ต่อว่าครับพอขึ้นสวรรค์คนขึ้นสวรรค์นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องขึ้นไปทําได้ทําดีด้วยคุณทําดีได้ขึ้นสวรรค์แต่อยู่บนสวรรค์ไม่ได้แปลว่าคุณต้องดีบนสวรรค์พวกนั่นก็เล่นนะครับ ล่มีสวรรค์ถัดไปใมเป็นชูเมียเต้าเสกน้ำเมามาแดดตุ้มอันนี้ก็าสูตรเป็นซฟาต่อเมื่อกี้ใช้ไปแล้วนะใมงขึ้นอย่อฟาต่อกป้ลงไม่ลงลงไางไปอีกถูกไหลงใบนี้ใบนี้ใบนี้บนี้หมดปาก็มาไหนครับนี้หรือะวงก็มีทางจะขึ้นอยู่เนี่ย เห็นยงโ่นยากเลยแต่สถาพก็หน้ารักไอ้สงสารที่มึงทำบุได้แต่นี้เดียวเนี้ยนะไม่แต่นี้เดียวเนี้องขึ้นสวรรค์คุณทาไงครับคุณติ้งนะนะคุณก็ทำบูนอนุโมทนาบูนฟังเสดฟังทำเลยก็เลยขึ้นไปฟอตต่อกลายเป็นวบวบวบวบัวเวลาทั้งหมดได้นะเวลาหมดเวลาได้เหมือนกันเขาก็เป่าปิดเกมส์โอเวอร์ โมเว่กว่าโมโมเฮเวมาใชดันไหนครับมาค่ันนี้หน่ันี้คิอนนี้คิอนนี้ต่อมึงไม่ขึ้นสวรรค์อีกอีกทไมครับตอนนี้มึงก็บวชของมึงต่อยิ่คุณอยู่สวรรค์าเลยไปขอโทษการอยู่บนสวรรค์ไม่ใช่ทางเข้านุ่พานยิ่งมาเกิดขึสวรรค์ใคคุณทบอีกลงไม่นี้มึงก็ High รติออรใช่ะ แต่เวคุณเอเวนใช้เวคุณเดลลงตู้นี um ่แหละเรื่องเงินไายตายเกิดรสสารถ้าคุเข้าใจอย่างนี้คุณจะต้องเงยหัวฉ้อกูแนเสียวยิบออยู่เคุณว่าเป็คุณไม่มีใครมาสอนคุณเรื่องเวลานะถึงสอนคุณก็มีอคติเป็นท่านโมเดลจริงเหอจเนี่ยเพราะคุณเจอกิเลส้าไปกิเลสน่งไม่น่ากล้าให้คุณอยู่จากโลกนี้เหมือนกันมกาึงคุณในแม็กซเนี่ย้องชว์มิ จะชนิดว่าแต่แแเว่นอาดมเป็นนิสิตวะชนิดคือกิเลีเออแม่งสู้กับชมิดจนแบบจะรู้เข้านิพพานกันภาคสามโอ้ต้ อ, ไไ ง, อ, ง, อ ง, งทำดีเด่นของปีเลยใช่เลยนิพพานคืออะไรนูนิพพานวิสัย ก็คือคุณทำตัวคุณคืคุณชั่วมาตลอดเลยนะ้ไม่เป็นไรสำหรับผมเนี่ยพคุณตายไปนานแล้วเนี่ยคุณคนใหม่นั่งอยู่โเท้าสตาร์ทเดือิาหลักการของฟุตไม่นับเ่อวานรือว่านะยิ้มอยู่นี่นะไม่ชั่วร้ายอยู่เกินไปนะข้สามเนี่ยคุณทจิตคุณนี่ว่านยูนยูนดีนะถ้าแผ่นกระดานนี้คุณแมิ แมสติกว่าเสือปว่าเสือเสือเเสือ่ะเสือมีแ่แมงใช่ไหมิ้มถึงเสือมึรู้ับเสือไม่ได้ทิพานคืออะไรทิพานคินคนินลายันสุดสูงไินะถ้าคิทิตว่างอ่ะอ่านี้นะไม่ตายในขั้นกุศล กูเสก็ไม่เอวไม่ยึดอ่ะกูเสก็ไม่ยึดคุณละกาความนิหงของคุณไว้เอเอหัวก็ชิดหัวชยึงโดาบยไม่เก็นเจชาติอีกเจ็ดนามเท่านั้นเองการเกิดแต่ละครั้งถึงจงสนานึแมตช์คุณเลแมตช์ก่ี่จะเป็นอันนี้เป็นอครับด้วย่ว่าคุณเลี้ยจแมตช์เท่านั้นเองพอหัวเชิดต็อกโซดา คุณปริบัตเข้มข้นท่มีเอกชาติแม่งช้าไปคุณยเร็วคุณขอเหลือชาติเดียวคุณเปะสก a ามีบอกคุณไม่เอาละคุณขอไปท่นิพพานที่สุดขาว่าคุณเป็นราคามีคุณจะเหลืออีกที่เดียวสนุดแต่ถ้าคุณขออรหันธาตินี้เลยใช่ครับคุณก็หลุดออกมาตึ้มน่นิพานอยู่ตรงนี้ไงมร้อนมือดิบนะมือร้อนควมเลยคุณม่อนี้ไตรงนิพพานไม่อยู่แกนไหน เป็นซัดดูออกมาแล้วออกมานั่งดูถุกมาเหมือนนี่คือจอทีวีพิพานในออกมาจากจอทีวีไม่ต้อไปออนออฟอยู่ในจอนั่งดูพวกมึงทำอะไรกันใช่ยังที่หลวงปู่มั่นเพห่เขาออกนะออกไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปไหนด้วยถ้านกยังนั่งดูพวกเราอยู่ไหมครับแต่ท่านไม่มีพิเลตแล้วท่านก็ทาตามหน้าที่อยู่ใช่ไหมการท่านพิพานก็คือคุณไม่ย้ายค่ายนั่นเองออกจากแมกซิก มมมแมชชีกตนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนี่คือแมชชีกันใหญ่เราออกออกข้างไหนครับแกนเอหรือแกนไวน์ออกอมาเลยเอามาอยู่นอกนี่คือที่คุนิพพานแค่นั้แต่ถ้าคุณไม่ไม่อยากออกขง่าย น, นะคุณก็ยังไห่กายเกิดซึ่งฟอร์มัลฟีความหน้าเสียงมีดังต่อไปนี้นี่คืโอโลกของนรกนีลก ส, สวรรค์นกนะครับ ในรอบปีจำนวนนะแตู่ดถึงจำนวนในโชนะในรอบปีค่าจะจัดพื้นที่ถิ่นโลกสี่พายอาำลัง 2, องในยีโลเท่าไหร่ครับประมาณนะประมาณนั้นนะจำนวนจำนวนคนในสวรรค์จำนวนเทวดาในสวรรค์มีค่าจะจัดพื้นที่ตายเข็มโลกเข็มเนี่ย 1, 1เข็มเ น, เนี่ยน่าจะประมาณ10บยกอะไร24เท่า อันนี้มีหนึ่งอันนี้มีสิบละ24เลัี่สิี่้วว่ามันรูปพื้ประมาณเท่าไหร่คนเนะีคนเท่ากับพื้นที่ปลายเข็มเทดาเท่ากับพื้นที่ผิวโลกเลยดัน้ำนวเม็มีห์นหนึ่งหนึ่งคนของคุณเนี่ยบนสวรรค์มีทั้งหมดสิบลูกกยี่สี่เห็นยัง นั่งโคตรยากเลยแล้วคนที่จะออกจากแดนแนทบเ้านิพานเนี่ยมันต้องออ ก, กปรงงานคนด้วยคุณต้องสตาร์ทที่คนที่สวรรค์ที่นู้นาคไม่ได้ตัวนี้าได้เครดิไม่สามารถที่จะเกาะกรรมอะไรได้เป็นการใช้ไพ่เลยนะที่หมดไปทั้งนั้นอ่างวิสการไพ่ใช้ไพ่นั้นสวรรค์ก็ยากถอนนิพพานก็ยากเป็นคนเม่งพวกง่ายกว่าง่ายกว่าสองเท่าสามเท่า เพราะว่าวิธีจะเข้าว่านคุณต้องึกกายเวท น, นาจิตความซึเ่เรียกว่ามห า, าสีสถานสี่เทวดาโนกายโนเนาเรามีจิตกับธรรมเราได้เปรียบเทวดาอยู่ถึงสองประการเทวดาไม่มีการไม่มีเวทนานะครับอุปมาคุณเล่นทุกวันไม่มีแขน2องข้างเล่นได้ไหมได้แต่ยากที่จะรุ่งเทวดาเขาก็คือจนแขนขาดเล่นอน เลยนะเเราัอตโดาเาอิจฉามนุษย์ตลอดดาเลยเาว่อิจฉาพวกเราเวากเราเด็เป็นคนที่ทั้เทสมันลูกอยู่มาเสด็จนี่เป็นแเนอไไอ้กไอ้วมีเรีย์ลูกค้างยเป็นอไล่ะแยไอ้ย่้ยูคด้แ่ะลูกคุณด้วยถ้าส่งมาี่แมงเขาเทที่เหนือข้างบนเลยะมีที่ข้งบนก็มีที่เาส่งมาเนี่ย ที่มีหลายคนนะถ้ามูอยู่ในนี้ข้างบนนะอย่าโต้ฟ้าอันนี้ไงมันมาจากไหนก็มาจากนรกขึ้นมาเนี่ย้วจากสวรรค์ขึ้นมาเนี่ยก็กลับมาจากวันนี้มันก็มาล้างยังไงมาล้างยังไง จบหมดแล้วสิพระีกนี้จบแต่มันไม่ไดมีแค่ตรงนี้นะจักรวาลแม่มีหมื่นโปดจักรวาลมีแบบนี้มีแบบนี้ที่อื่นอีกที่หลวงปู่ทรงจมาหาบัวเขัพู่มันไม่ได้มีตรงนี้ที่เดียวจะมีเหมือนเม็ดทรายในนั่นเลยเราเป็นแค่เม็ดทรายเม็ดเดียวังหมดเนี่ยย่งใหญ่มายโคตยากเลย ตอนนี้ยังสี่สิบแปดเลยคนไปนิทานเนี่ยอัตราส่วนใช่ไหมสองสองต่อเส้นเส้นขนมุ่ยทั้งตัวเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหก็จะใจก็ยังโน้นนตว่าขนกับปลายขนนะมงคนเข้านิทานไม่ยากนะอัตราส่วนไม่ยากนะมีคนเข้ามาเยอะแล้วด้วย เขาได้หมดเลยศานาไม่มีผลคนคิดมันรู้โซดาก็มีคนอิสลามมันรู้โสดาก็มีไม่เกี่ยวอยู่ที่อะไรบ้างครับอยู่ที่ตรงไหนฮนะอ้าวคุณดูนะผ ม, ผมทำละหมาดให้คุณดูนะละหมาที่แท้จริงคือการทาจิตว่างนั่นเองคุณยกมือขึ้นมาถูกว่าหา ย, จ ย, ยใจลึกๆจะนะตมนรออยู่กับทา่านแล้วอยู่กับท่านด้วยก็คือเลยครับ ศูนย์เนี่ยอยู่กัท่านและอยู่กับท่านด้วยพระอจาย์ไม่ว่างไม่โลดไม่ปวดไม่หลงชลิสามเนี่ยเขาสามารถละหมาดได้ยี่สี่ชั่วโมงไอ้พวกไม่ใช่่ยมันว่าเหมือนหพวกใช่จริงจริงเขาละหมาดโอเวอเลยไอ้พวกไม่ใช่เลี่ยก็งือไม่ไม้ละหมาดเลยเจอแม่นโอะไรนะก็จะสวยใส่า็วนไปเน่ยเนี้ยมันไม่ได้โหกิจสิกนะพี่ ที่ที่ข้าใครที่ทำอะไรไว้ซีดีร อ, อ, อ ก, กับกระปายเนี่ยมันเล็กอเอาไว้แล้วพอเจอหน้ากันป๊อที่เขาฝรังเลาเรียกเคมีคอลไม่ตรงกันเนี่ยมันเจอป๊อปนี่นะมันก็บบคลิกแล้วใหครับระบบอินิของมึงลิกแล้วที น, นี้ค่นี้เคยทำอะไรกันปัญหาคืออยู่ที่สตินัเองว่าจะทาหรือไม่นี่คือความยากดิฉังเจนสัตว์ตู้ทุกคนของคุณล้วนเคยเป็นเพื่อนคุณมากอนองั้น คุณเคยเจอแต่ตุ้เองแบบไม่เคยเพื่อนไหนั่นแหละมันไปฝังมันไว้จะเจอหน้าปักเหนช่างคนไม่ตีก็ไม่เคยเจอหน้าเลยนะมีความสุดขัดตีนแล้วมึงก็ไปต้นแบบจริงจริงย่ออะไรข้างในมันทำไมฮะมันล้างเอาไว้แต่ถ้าเกิดคุณมีสติยับยั้งชั่งใจเฮ้ยให้อภัยคุณเริ่มมาได้สูงเนี่ยเล่นเี้ยคุณเริ่มเริ่มลูกละแล้วคุณก็ให้อภัยตนี้ไปแล้วคุณนไม่ไหวได้ไหมครับให้หยุดแม่ท้าวแล้วถ้าต่อไปก็ตาใครละ ไม่เติมกลับด้วยไงอจารย์พระหอตัวนั้นรูปถูกตเป็นตุ้มจอบตุ้มจอบใช่ใช่ต<ช>ุ<ช>้มจอบตุ้มจอบนะเข้าใจมันมียนี้ต็ดคำถามเพื่อให้ผโดยทั่วไปแล้วผู้เจ้าบอกห้ามคิดมากนะที่ผมจะเสี่ยงอธิบายให้ฟังแช้นความตุดตจอบห้าเปอร์เซนตแต่แต่คิดว่าน่าจะในระดับหนึ่งงานครั้งหนึ่งงานมาแล้วเนี่ยมันมีความว่าง เพมีความว่างไม่ดูมีความไม่ว่างทําไมถึงมีแก้น้ำอัธยาปยของแก้น้ำอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความว่างหรือทํามไม่ว่างอยู่ที่ความว่างแต่ไม่มีไม่ว่างก็เลยเป็นแก้น้ำโงว่ว้ยเห็นไหมมันก็มีระบบระบหนึง่งซึ่งตอนนั้นยังไม่แมชัวอินแมทชัวเป็นระบบนิพานึ้นยังไม่แมชัวยังไม่เข้าสู่สเตตี้สเตต ถูกไหมมันยังเป็นช่วงต้อนอยู่ที่ได้มหลักของเปนเอ็นก่ว่ามันยังไม่เซนซิสเ็สแน่งยังไม่นี่งในสวิงอยู่มีแหละทามใช่ไหมมีใบตาขึ้นแหละทามมันยังไม่นิ่งเลยมันมีบางส่วนแม่งลำเบรย์นบต้องหลุดออกมาตุ้มเปิดเอาเป็นจักรวาลอันนี้แหละก็คมีอะไรบ้างครับรนรกสวรรค์อะไร คนนี่แม่อยู่ตรงมาอย่าเงี้ยอยู่ตรงมาไม่ไม่ไม่ชัวร์จนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมีคนคนหนึ่งโคตรเก่งเลยฉลาดมากๆาสุดยอดถึงความฉลาดบรรลุทำการเป็นพระเจ้าองค์แรกของของจักรวารเรียกว่าองค์ปฐมองค์แรกท่านรู้ผ น, นทางว่าได้วิธีผิดกเข้านิพานษ์เว้ยแม่ต้องเซ็ตทุกอย่างเปนออฟทั้งหมดห้ามออน แอตโปลี่นนล้วจึงจะออกจากแกนนี้พอกัดไปพอ ก, กับไปใกล้หนึ่งคนสองสามคนประกอบว่าระบบวิพากษ์วันนี้ขอโทษแม็คตัวแล้วเต้นเยอะจะได้มีการลีกตรงนี้รอยยื่อต่างๆไม่มีการซีลหมดแล้วซีซีแล้วตอนนี้ดึงกล๊อกนะครับตอนนี้เข้าไปแล้วยี่สี่กด อาหาออรสูไม่หลั่วมงเลยรับถ้าไม่้าไม่กัดไม่เป็นไรนะผมผมมองนิพพานเะนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นดวงดาวที่เราจากมาเราโหนเข้ามาสู่ในนี้เราเป็นเอเลียนแต่มลัง เ, เอเลียนไหนะตัวสั่งดาวอ่ะคุณเข้ามาอยู่ในร่างเนี้ยในบอ ด, ดี้เนี้ยคุณก็ไม่รู้ตัวคุณท้างในแม่งคุณคนอากนิพพานที่อยู่ทัางในคุณไม่รู้ไงแล้วคุณก็เพ่อเพนอยู่กับ่างนี้กลคุก็มันกับแม่งมากใช่มนี่จก็ช่อย่างเละเทะ ว่าปาก็มีเลยเลยสุดท้ายมึงชอบมันมากมึงอยู่ไหมึงก็เต็มอิ่งให้ถุงอีกงถึว่าแต่มึงไปชอบเป็นของผู้หญิงชอบลมชอบอะไรของมันสุดท้ายมึงมึงไปเปลี่ยนบอดี้เลยให้เช็คบอดี้ให้แต่ข้างในก็ยังเป็นตัวเอเียนตัวเดิมคือตัวจิตของมึงตัวเดิมอยู่เองแต่คุณก็ยังไม่ออกต้างมาแต่ละชาติคุณก็มาติดชอบนู้นน้ชอบน่้งนี้มึงไม่วางสิมึงก็ชอบมึงก็เงียบง่ายตายเกิดไปตรงเนี้ย เป็นแสนจนพรพุทธเจ้าตอนนี้ผ่านไปแล้วมากวามกว่าจำนวนเม็ดทรายในเกลือคาถึงระดาบจำนวนพรพุทธเจ้าที่ผ่านไปแล้วอย่างน้อยในข่าใจมิโดเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมดมากกว่า3มล้าน6สนสี่พหนึ่งร้อสิบองุตด้ถ้าสีอาจะมาเป็นของที่สามล้าน6สมนสี่นหนึ่งร้ย้าิบสาเติมอาดี องคต่อมาจะเป็นองค์ที่เนี่ยหึงเก้าสามถ้าท่าไเข้า อ, องค์นี้นะก็ทไมครับทีนี้จะชิ้งช่วงอีกแนวเนี้ยะแลนะแลจะมาอีกเก้า อ, องค์ไมเก้า อ, องอค์ อ, องค์ยวิภั์องค์ไหนองค์นี้แต่ถ้าเกิคุณโชคร้ายจะเปิดช่วงลอยต่อระหว่างองคนี้ที่จะไม่มีศาสนาที่จะสอนวิธีธริัณฑ์ อาจจไม่เป็นศาสนาที่เชื่อเทวดาเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรพระเจ้ามีหลายแบบนะคุณไปเชื่อแบบไหนคุณเสร็จเลยใช่ไหมคุณก็เวียนว่ตายเกิดคุณอาจจะเกิดในโลกสั้แม่วิญาณไปหมดเลยก็ได้แม่ไ่เชื่อเรื่องตรงนี้อ่ะัวยไปคุณก็ไม่กลับบ้านเก่าหนคมเเคยเล่นเกมโวอ์โคมเวป็นคาแรเตอรคุณไม่เคยกลับโคมนาทีคุณหลงอยู่ในนั้นเลยครับ แมทริกซ์เขาไป็อุตสาห์รรมหลบให้คนบางคนเป็นเทศทรัพยากรภายใน ห, หนังเรื่องแมทริกซ์พยายามจะบอกพวกมึงว่าเฮ้ยแม่งมีนม้มือไม่เชื่อหนพยายามจะมีนิโตรเฟรนซ์แมนคุณไม่เชื่อพยายามจะเล่าลูกนิโตรเฟรนซ์แมนเฟนซ์แมนในเรื่องแมทริกซ์ก็คือ ก, ดกดแห่งกรรมที่ขับรถไฟอ่ะเฟรนซ์แมนเฟ r นซแมนแม่งช็อกลีโอที่จะติดกำแพง่เพราะกแห่งกรรมไม่มีใครชนะแ่งได้ ก็คือฟิสิกส์ไงคุณก็แท้ฟิสิกส์ใช่ครับเราก็วนอยู่เนี้ยจะลองอยากออกนะงไงา่อยากออกก็แตกแดกเล่าต่อแต่คราวนี้มึงก็อยู่ฝั่งนี้ น, นะแล้วทางทางทางศาษนาพุทธเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของฟิสิกส์ชายตนนึงชอบกินเล้าองกายกินเล่าดูขาดปติจิตที่มันอยู่ทางลาตัวของวกนกินเล้ามันก็จะมันทกว่า ชายคนนี้หญิงคนนี้ชอบขาดสติชาติต่อไปก็ทําไมครับหรือว่ามึงชอบขาดสติเขาให้มึงขาดสติตั้งแต่ต้นกลายเป็นออโต้ขาดสติเมือเมาเลยไม่ต้องซื้อเหล้าผู้มึงก็กลายเป็นเผลอผ้มึงก็กลายเป็นปัญญาอ่อนแทรกเรื่องง่ายผมถือว่า น, นี่คือการไตร่ตปริญญาปัชนาทุกทธก็จะประหลาดนะถ้าคุณเมื่อผ่าด่านไหนเขาก็จะซ้ําแบบผุ้ขันนะั้นเขาใช้เรืบอคู่หมา ทำจน้ว่าม ng ึงหายโง่ขอมอออกจากความเป็นเอ๋อนะมึงตายไปมึงก็ขึ้นขึ้นเป็นคนอีกรอบหนึ่งมึงเจอเล่าอีกมึงก็จะทนไม่ไหวมึงก็จะแบกร้าอีกครั้งหนึ่งแล้วมึงก็โ่เป็นเอ๋อแล้วมึงก็ขึ้นมาเพื่อนชั่วุมเดินมายุ่งเรือกล้าวอีกแมึงก็แบกมึงก็งนเอ๋อนี่เข้าใจมจนว่ามึงจะติได้ว่าจัดาเรืองเลาอย่ามายุ่งกับกูแบกกลับอย่างเดียว ถ้าเพื่อนชั่วพวกนี้นะหลับคุณครบทุกมันนะมันจะเป็นคัสเตอร์ตามคุณไปเป็นชาติชาตเลยวันเงิันลันทั้งทีลอวันทั้งทีแล้วาอจอเข้ามาสู่ใจศักดิ์นี้นะแม่ก็เสียสมาการเป็นกับลูกเลยอีกมันจะมาละลูกถึงมันไม่ได้นะแม่คุณอยู่บริษัทข้างๆแม่ให้มาเตอมึงอีกทุกอย่างมันเป็นคัสเตอร์เพราะกลุ่มพเนี่ยในเมื่อมันแแบบเข้างีดีแล้วเนี่ยมันจะมีใครกัดแรงเหนียนำแม่เน็ตคัสเตอร์ปว่ากลุ่มกล้องมันจะไปตรงอะรนทีม แต่ขาวดีเวลาเข้าวุปทานเนี่ยต้องอ่านในใจวิบวัตจะพบว่าคนหนึงเข้าพับจะมีสมรรถะบริวารเข้าใจยังขณะเดียวาันถ้าคนหนึงลงระงับอรด้วยครับคนใหญ่ไม่ลงทั้งแผงแต่ถ้าขึ้นก็ขึ้นทั้งบริวารเพราะฉะนั้นเวลาหลวงปู่หลวงพ่อท่านมาเทศเกีวกับเราเนี่ยคนใหญ่ท่านเคยอยู่ในกวนเรานั่นแหละเข้าใจยังมาวันหนึงท่านบรรลุธรรมท่านไไมครับ ท่านจะมาสอเลือแต่ปรกว่าเพื่อมึงไม่เล่นด้วยเพาะว่าไงครับขอแดกต่อท่านกะไปละไอออนมึงก็หาสนในกลุ่มมึงต่อไปว่าใครจะเป็นมึงก็โอเคต้องไม่ถูกลูกเยอะแต่ตอนนั้นไอเด็กเนี่ยนะข้อเหน่งยาฆ่าเลยนะยาฆ่าตัดต้อเนตามฆ่าแล้วมึงจะจกซิ้นหวยองยาอะไรนะขโมยถูกวันนี้มึงขโมยวันไหนมึงเสียมากว่านี้อที่สาม อยาติดในกามอย่าไปล่อม่อวขาอย่าไปชู้เมียเขาคุณเป็นชู้เมียใครเนี่ยแม่งเปลี่ยนเพศเลยแล้วก็ลงมาลอไปนานแสนนานแล้วคุณจะกลายเป็นไอ้ตัวติเป้าคุณจำไอ้ติดเป้าหมบิชหมาตุเมียเนี่ยคุณใหญหมาตุมเมียเราเดินมานะที่ผมก็นั่งคิดนาพวกมันนะก็ลูกพยายามจะดูเลยมันมันบางสุแล้วก็บอกมึงว่ากูบอกมึงล้อย่าล่อดีอเขาเขอย่ ตอนนี้เป็นหมาตัเมียเรื่องเกิดเหตุกรรมพงนี้พุทธเจ้าพูดในในพระไตรปิฎกทุกบทเลยแล้วคุณเข้ามาสู่วงการผมก็คือเจอเรื่องพนี้ไม่ใชเรื่องปกตินะบางทีนั่งดูกันนะพิการมุดีหมาลายบงแห่งนั่งเซอร์ฟชั่นชิปหายแล้วเชื่อแฝดเลยนะดว่ารัศสากิจตรงชนนั่งเชื่อแดลวันหนึ่งเดินในหมาลายแห่งหนึ่งเจอหมาตัวหนึ่งเดินมาผมก็นั่งลุกมใจพิจารณาดีไอ้เจ้าี่การบุรีกูเอง พอกให้อยาแดเตื่อเขาตัฒาเตยยาแดดมึงก็ันเดินแดดขี้แล้วให้พะโ ล, ล้ว่าีพะโ ล, ล้วคือคนที่มึงจ้างเองเนี่ยที่กลายเป็นหมาเพราะอะไรครับเพราะท่านพิการมารีนั้นเป็นวิชาพิจิตรไม่เชื่อเรื่องส่วนแหนกรรมไม่เชื่อ เ, อเลยทั้งสิ้นเลยไอี่อมึโง่ขนาดนี้ชาติต่อไปให้เป็นเะยครับเป็นหมาครับง่ายๆเลยง่ายๆตัวมันสัตธรรมดาเรื่องปกติ คุณพบเป็นจุดนีงคุณจะรู้อ่ายอ้เหอแม่โคตรน่ากลัวเลยยืงแต่ละตัวที่มมาติดตัวคุณเนี่ยส่วนใหญ่ชาติก่อนนะไม่แม่คุณก็ใครก็คนนึงอะอันนี้แตชาติคุณเคยไปกินนมเขาต่อมาเขาทำบาปเลยบางอย่างกลายเป็นยุงเมื่อเจอหน้าลูกอย่างนึงซีดีลองหมดั้งคู่ทงานกินข้าไปตัวมึงขอเลมึงแค่หยดเดียวเพรางดู่เข้าั้งหลายหยดใช่ไมมึงกินตอบแม่มึงซะีึเลยู่แม่มึงตายแล้วนีความรักนึง กิตไม่กี่เม่กี่วันกิงเกิดใหม่เป็นแม่ตัวเดิมจิตวิญญาณเดิมยุเมอใหม่เราะมึงอีกมึงทำไมครับตอบกลมห้าแม่ึงประมาณกี่ครั้ง่อนมองมึงอีกอือเฮเพอจะตอบเขาน้ามึงลแต่ก็ต้องว่าเนี่ยติดเครปู่พันธุ์กับคุณมาทั้งนั้นเลยอะให้ทังนันเลยคุณาจจะเคยบาดเจ็บมาครั้งหนึ่งแลวเขาเป็นคนเคยจากเราอีกใช่ถ้าจะทาบาดตรงไรตายเขาตายเป็นอยู่ก็จะหน้าคุณก็ไมครับ เจ้าหาขอขอคูตักอปกหนึ่งนึงยี่อะไรทาไมออกแมเลยเรียบร้อยในแง่ของการบริหารความเสี่ยงดนะถ้าคุณแม่เคยเรียนวิชาไฟแนนซ์ดีกว่าถ้าคุณเรียนไฟแนนซ์คุณจะคิดใหม่ทำใหม่เหมือนผมเนี่ผมคิดใหม่ทใหม่หมดเลยด้วยดูนะมีช้อยกอไก่ มึงไม่เชื่ออะไรเรื่อกฎแห่งกรรมเรื่องศาสนามึงไม่เอาอะไรนี่คือช้อยคอถูกไหมช้อยขอมึงเชื่อศาสนาเอช้อยคอมึงเชื่อศาสนา B ีแล้วมึงก็หั่นใจน่ามีว่าวันหนึ่งผมไม่อ่านคำพูดของคุณตะกูลศรีทรงซุงทุกคนอาูที่วิทย่ศาสตรอาตีเอ็นนั่งเกลือประชิดได้คำพูดมาคำหนึ่งก็คือว่าเเป็นนักใจร้อ น, นะนคําธุรกิจ อย่าเอาไข่ไว้กระจาดเดียวกันแต่ว่าอะไรครับถ้าคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยอย่าเสือกทุ่มทุนไปที่ใดที่หนึ่งเต็มที่พราันไดก็ตามกระจาดล้นไปเลยครับเช่นเดียวกันมึงเสือกเชื่อตัวมึงเองเลือกที่จะอะไรครับไม่เอาแมา่งข้าศน์นามึงเชื่อตัวเนื้อมึงเชื่อวิทยาศาสตร์ที่มึงเรียนมาแล้วโคตรเทพเลยไปหารูกใหมกูเรียนยากกว่ามึงอีกใช่ปะ เิยาศาสยร์มันไม่เป็นคุณเอาข้อมูลอินเทอร์เชันซึ่งเวลี s เอกคอินเอร์เชันมาเมตติชันซึ่งเวลี่เนครัุณเรียกว่าคุณตัดสินใจไม่เอาหือคงก็ริ้วร้อยเปเ็นสมมติถ้าเราพาไปนะผู้รู้จริงมาเฉลยว่าเออตลงนี้ไม่มีอะไรนที่สุดเลยโอเคคุณถูกแต่ถ้าเรามีโอกาสแล้ววิจารศาสนาเหรือ B ถูกต้องถ้าไม่ออกมานี้ หมดตัวเลยครับเกี่ยนเลยมึงเกี้ยนเลยแค่ยังดังนั้นจะแง่ของนี้เสร็จเิ้นบริหารความเสี่ยงก้องทำไงครับมึงก็ลองมาศึกษา A ศึกษา B ทำ cost to be more ขึ้นนี่เรื่อยถูกป่ะผมเงก็มีนะทั้งหลายัาสนาคำตอบของสุเคนคงเยอะเกูมองเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันแล้ว ผมมองเห็นทุาศาสนาเป็นอริยยันแล้ววันมีมีเชสแล้วแล้ววันนี้แยกศาสนาไม่ออกไปแล้วเข้ยังจบแล้ววันนี้กูแทงวนี้ร้อเ็นต์แล้วเพราะว่าผมไม่อยู่ในกระดานนี้แล้วเข้ยังนี่คืวิธีคิดจบแล้วนู่นแต่กคุณไม่้นะผมพยายาไป่วเหมอว่าเฮ้ยมอย่ามั่นใจตัวมึงรากลงนมึงเล่งลงลงนี้ต่อให้มึงได้ศาสตราจารย์บ็อกเซอร์แม่แค่มึงจะโด้รอกก็ได้ ทิ้งเหล่าวยญญาณาแม่แกล้หางอื่นไปเรื่องทางทุกพทาด้วแม่ทะเลด้วยคุณยังไม่เคยโดดลงมาตรงนี้เลยอย่าเพิ่งรีบรย้อนสนุกยากประมาทถ้าคุณเป็นคนไม่เชื่อกฎเป็นกรรมไม่เชื่อศาสนาหรือเหมือนถือว่าคุณเป็นนักลงทุน